สถานีวิริวก้าวกลัวข่าวสตรอ 6, ร้อยเฟมร้อพระเจ้าพระมหาภัยบณ์อภีปุณโณกลับมาพบกับนบัมฟังอีกในวาระหนึ่งในตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์นมฟังทางสถานีวิดีวแห่งนี้จะนำเรื่องราวที่เป็นในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นเรื่องของธรรมะนี่แหละไม่ว่าจะเป็นธรรมะที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้เอง มีส่วนที่เป็นคําอธิบายขยายความต่างๆมาเล่ามาบอกให้ท่านผู้ฟังได้ฟังเพื่อให้เรามีความรู้กว้างขวางในทางคําสอนท่านผู้ฟังเพราะว่าคำสอนนี้เป็นเรื่องที่ลึกมีความหมายที่มีหลายนยะเป็นสิ่งที่สุดขมคำพิรุปปาพบางทีแง่มุมบางอย่างเราฟังจากตัวพุทธพจน์เราเห็นแง่มุมนี้แง่มุมนั้นอีกท่านหนึ่งฟังกับพุทธพจน์ด บ, ดบทเดียวกันแต่ก็เห็นอีกแง่มุมหนึ่งที่แตกต่างกันไป เพราะฉะนั้นการที่เราฟังคนนั้นคนนี้พูดเรื่องอะไรขึ้นมาอย่างใดอย่างหนึ่งได้ความรู้ใดๆแล้วก็กลับมาที่ตัวแม่บทฟังกันไปเรื่อยๆท่านผู้ฟังจะสามารถทําความแจมแจ้งในคําสอนให้เรามีความลเอียดลึกซึ่งมีความรู้กว้างขวางแล้วก็จะทําที่สุดแห่งความถูกได้วันนี้จะได้นํานิทานธรรมบทเรื่องของท่านพระจุลปันโตกเรื่องนี้ก็ยาวพอสมควรแต่คีดว่าในวันนี้ จะให้ท่านผู้ฟังได้ฟังในตอนแรกซะก่อนที่เกี่ยวกับเรื่องของความเป็นมาเป็นไปของพี่น้องคู่นี้นั่นคือท่านมีพี่ชายที่ชื่อว่ามหาพันทกแล้วก็น้องชายชื่อจุลาพันทกในนิทานนี้ท่านจะเล่าเรื่องความเป็นมาเป็นไปตั้งแต่สมัยแม่ของท่านทั้งสองอยู่กินมาอย่างไงเกิดท่านมาแล้วได้มีโอกาสออกบวชตัวพี่ชาย ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์จึงชักชวนน้องชายมาบวชน้องชายพอบวชแล้วตัางมาฟังโอ้ยปัญญาไปไม่ไหวเรียนเข้าใจอะไรไม่ได้แต่เรียนได้ตรงนี้ของเก่าที่เรียนไปลืมไปแต่เรามาฟังเรื่องราวของท่านพระจุลปันตกที่ว่าเอ๊ะทำไมท่านถึงไม่สามารถทำความเข้าใจมีปัญญาน้อยเขาว่ากันว่าย่งนั้นแต่แต่ว่าเรื่องนี้มันมีความลึกซึ้งอยู่เรามาฟังเรื่องของ จุละปันทุกอันนี้เป็นนิทานธรรมบทที่มาในภาคที่สองในส่วนทเป็น ร, รมขยายความของธรรมบทสั้นๆที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้เป็นกาถาธรรมบทแปลเรื่องพระจุละปันทกเทระภาคที่สองเรื่องที่17พระศาสดาเมื่อประทับอยู่นะบรเวรุวันทรงปรารบ พระเตระชื่อว่าจุลปันทกรพระธรรมเทศนานิว่าอุทธาเนนปะมาเทนะสัญญเมนะทะเมนะจะทีปังกยิราทะเมทาวียั่งโอโคนาภิกีรติแปลว่าผู้มีปัญญาพึ่งทำกากคือที่พึ่งที่ห่วงน้ำท่วมทับไม่ได้ ด้วยความมันด้วยความไม่ประมาทด้วยความระวังและด้วยความฝึกดังได้สดับมาทิดาแห่งสกุลของธนะเศรษฐีในกรุงราชกฤชในเวลานางเจริญวัยมาดาบิดารักษาไว้อย่างกวดขันที่ชั้นบนแห่งพระศาเจชั้นแต่นางเป็นสตรีโลเลในบุรุษ เพราะความเป็นผู้เมาแล้วด้วยความเมาในความเป็นสาวจึงทำสันตวักกับาธาตุของตนเองแล้วมีความกลัวบ้าแม้คนอื่นๆจะพึงรู้กรรมนี้ของเราเธอจึงพูดขึ้นอย่างนี้ว่าเราทั้งสองไม่อาจจะอยู่ในที่นี้ได้ถ้ามารดาบิดาของฉันทราบความเสียหายนี้ไซจากห้ามหันเราให้เป็นท่อนน้อยท่อนใหญ่ เราจะไปสู่ที่ต่างถิ่นแล้วอยู่นังนี้ทั้งสองคนนั้นจึงถือเอาทรัพย์อันเป็นสาระที่จะพึงนำไปได้ด้วยมือในเรือนออกไปตามประตูด้านเหนือแล้วชักชวนกันว่าเราทั้งสองจะไปอยู่ในสถานที่แห่งใดแห่งหนึ่งที่ชนเราอื่นไม่รู้จักนั่นี้แล้วทั้งสองก็ได้เดินทางไปแล้ว เมื่อาทั้งสองอยู่ในที่แห่งหนึ่งนางได้ตั้งกันขึ้นแล้วระอาศัยการอยู่ร่วมกันนางอาศัยความที่คันแก่เต็มที่จึงปรึกษากับสามีนั้นว่าคันของฉันถึงความแก่เต็มที่แล้วธรรมดาการคลอดบุตรในที่ซึ่งเหินห่างจากญาติพวกพ้องย่อมเป็นเหตุนำความทุกข์มาให้แกเ่เราทั้งสองเราทั้งสอง ไปสู่เรือนแห่งสกุลเดิมเถิดสามีของนางจึงพูดผัดเพียนไปว่าวันนี้จะไปพรุ่งนี้จึงค่อยไปเถิดอย่างวันทั้งหลายให้ล่วงเลยไปเสียเพราะกลัวว่าถ้าเราไปที่นั้นชีวิตของเราจะไม่มีแต่นางได้คิดว่าคนเขานี้ไม่อาจไปเพราะตนมีโทษมากธรรมดามารดาบิดา มีความเกือกูลโดยส่วนเดียวเท่านั้นเขาจะไปหรือไม่ไปก็ตามเราจะไปละครั้นเมื่อเขาออกจากเรือนไปแล้วนางจึงเก็บงำเรื่องเรือนบอกความที่ตนจะไปสู่เรือนแห่งสกุลเดิมแก่ชาวบ้านที่อยู่ตัดกันแล้วจึงได้เดินทางไปฝ่ายสามีกลับมาเรือนไม่เห็นภรรยาถามคนที่คุ้นเคยกัน ทราบความว่านางได้ไปเรือนแห่งตระกูลเดิมเขาจึงรีบติดตามไปทันในระหว่างแม้ภรยาของเ่านั้นก็ได้คลอดบุตรในระหว่างทางนั่นเองสามีจึงได้ถามว่านี่อะไรกันภรยาจึงตอบว่าพี่ลูกชายคนหนึ่งคลอดแล้วผู้เป็นสามีถ้าอย่างนั้นบัดนี้เราจะทำอย่างไร ทั้งสองคนมีความเห็นร่วมกันว่าเราทั้งสองไปสู่เรือนแห่งตระกูลเพื่อประโยชน์แก่กำใดกำนั้นสำเร็จแล้วในระหว่างทางเดียวเราจะไปที่นั้นทำอะไรกลับกันเถิดดังนี้แล้วก็พากันกลับเขาทั้งสองได้ตั้งชื่อเด็กนั้นแล้วว่าปันถกเพราะเกิดในหนทางต่อการไม่นานนะ นางก็ได้ตั้งคันแม้อีกพฤติการทตั้งปวงพึงให้พิสดารโดยนันยนยะอันมีในก่อนนั่นแหละเพราะเด็กแม้นั้นก็เกิดในหนทางมารดาจึงตั้งชื่อบุตรผู้เกิดก่อนว่ามหาปันโทตั้งชื่อบุตรผู้เกิดภายหลังว่าจุลปันโทแม่สองสามีภริยานั้นก็พาเด็กทั้งสอง ไปสถานที่อยู่ของตนตามเดิมเมื่อสองสามีภรรยาอยู่ในที่นั้นเด็กชายมหาปันทกได้ยินเด็กชายอื่นเรียกผู้นั้นผู้นี้ว่าอาลุงและเรียกว่าปู่ย่าตาและยายจึงถามมารดาว่าแม่เด็กอื่นเรียกผู้นั้นผู้นี้ว่าเป็นปู่ย่า อีกผู้หนึ่งว่าเป็นตายายก็พวกญาติของเราไม่มีบ้างหรือมันดะเออพ่อพวกญาติของเราในที่นี้ไม่มีแต่ตาของพวกเจ้าชื่อธนะเศรษฐีมีอยู่ในกรุงราชกฤชพวกญาติของเราเป็นอันมากมีอยู่ในพระนคร น, นั้นมหาบรนตกเด็กชายมาบันตกก็ทำไมพวกเราจึงไม่ไปที่นั่นแล้ะแม่ นางไม่บอกเหตุดังเดิมนั้นเมื่อบุตรทั้งสองพูดรบเร้าหนักเข้าจึงบอกแกสามีว่าเด็กเหล่านี้รบกวนรบเร้าฉันเหลือเกินมารดาบิดาเห็นพวกเราแล้วจะกินเนื้อทีเดียวหรือมาเถิดบัด น, นี้เราทั้งสองจะแสดงตรกูลแห่งตายายแก่พวกเด็กผู้เป็นสามี ฉันไม่อาจจะเข้าหน้าได้แต่จะพาเจ้าพวกนั้นไปได้ปริยาดีละควรที่เด็กทั้งสองจะพบเห็นตระกูลของตาด้วยอุบายอย่างใดอย่างหนึ่งแท้ชนทั้งสองจึงพาเด็กๆไปถึงกรุงราชกฤโดยลำดับพักอยู่ในศาลาหลังหนึ่งริมประตูพรรณก่อนมารดาของเด็กพาเด็กสองคนไปแล้ว สั่งให้บอกความที่ตนมาแก่มารดาบิดามารดาบิดาทั้งสองนั้นได้ยินข่าวนั้นแล้วกล่าวว่าบรรดาชนทั้งหลายผู้ยังท่องเที่ยวอยู่ในสงสารชื่อว่าผู้ไม่เคยเป็นบุตรไม่เคยเป็นธิดากันย่อมไม่มีคนเหล่านั้นมีความผิดต่อเรามากพวกเขาไม่สามารถจะตั้งอยู่ในคลองจากสุขของเราได้ ชนทั้งสองจงเอาทรัพย์ประมาณเท่านี้ไปสู่สถานที่ผาสุขเลี้ยงชีพเติดแต่จงส่งเด็กทั้งสองมาในที่นี้อย่างนี้สองภรรยาสามีนั้นก็รับทรัพย์ที่ท่านทั้งสองนั้นส่งมาแล้วมอบเด็กทั้งสองในมือของพวกคนใช้ที่หมานั่นแหละส่งไปแล้วเด็กทั้งสองคน จเจริญวัยอยู่ในตระกูลของตาใหญ่ในเด็กสองคนนั้นจุลปันธกยังเด็กนักส่วนมหาปันธกไปฟังธรรมกถาของพระทศพลกับตาเมื่อเขาไปสำนักของพระาศาสดาเป็นนิดจิตก็น้อมไปแล้วในบนรรพชาเขาพูดกับตาว่าคุณตา ถ้าคุณตาอนุ ญ, ญาตให้กระผมกระผมจะพึงบวชท่านเศรษฐีกล่าวว่าพ่อพูดอะไรนะการบวชของเจ้าเป็นความดีแก่ตากว่าการบวชของคนทั่วทั้งโลกถ้าเจ้าอาจที่จะบวชไซต์ก็จงบวชเธอดนังนี้แล้วแต่นะเศรษฐีจึงนำเขาไปสู่สำนักพระศาสดาเมื่อพ ร, ระองค์ตรัสตามว่า พระบดีท่านได้เด็กมาหรือเขาจึงกราบตูนว่าพระเจ้าข่าเด็กคนนี้เป็นหลานของข้าพเจ้าประสงค์จะบวชในสำนักขอ ง, รงพระองค์พระเจ้าข่าพระศาสดาจึงตรัสสั่งภิกษุผู้ถือการเที่ยวบินนบานเป็นวัดรูปใดรูปหนึ่งบ่าภิกษุเธอจงให้เด็กคนนี้บวชเถิดพระเถระบอกกรรมฐานหน้า คือผมขนเล็บฟันหนังแก่มหาบรรตกแล้วให้บรรพชาเธอเรียนพระพุทธพจน์ได้มากมีอายุครบได้อุปสมบทแล้วทำกรรมคือเจริญกรรมฐานในโยนิโสมนสิการบรรลุพระอรหัตแล้วท่านให้เวลาล่วงไปด้วยความสุขในฌานและความสุข อันเกิดแต่ผลคิดว่าเราอาจให้ความสุขนี้แก่จุลปันรทุกหรือหนอภายหลังมหาปรรทุกจึงได้ไปสู่สำนักของเศรษฐีผู้เ็ญตาแล้วกล่าวอย่างนี้ว่าท่านมหาเศรษฐีถ้าท่านอนุ ญ, ญาตใช้อารมภาพพึงให้จุลาบันทุกออกบวชเศรษฐีจึงกล่าวว่า นิมนต์ท่านให้เขาบวชเถอขครับได้ยินว่าเศรษฐีเลื่อมใสในพระาศาสนาแต่เมื่อถูกถามว่าเด็กเหล่านี้เป็นบุตรของที่ดาคนไหนของท่านถ้าเขาจะบอกว่าเป็นกองลูกสาวที่หนีไปก็จะละอายด้วยเหตุนั้นท่านเศรษฐีจึงอนุญาตการบวชแก่ลานทั้งสองนั้นโดยง่ายพระเตระ ให้จุฬาปนรกบวชแล้วให้ตั้งอยู่ในศีลทั้งหลายแม้จุฬาปนรกนั้นพอบวชแล้วแต่เป็นคนโง่เขลาเมื่อพระเถระพร่ำสอนเธอด้วยคถาที่ว่าดอกบัวโกกนุดมีกลิ่นหอมบานแต่เช้าพึ่งมีกลิ่นไม่ไปปราดัฉันใดเธอจงเห็นพระ อังกี่รถผู้ไพรโรถอยู่ดุจพระอาทิตย์ส่องแสงในกลางหาวฉ น, นั้นดังนี้คาถาเดียวเท่านั้นใช้เวลาสี่เดือนจุลาปันตกก็ยังไม่สามารถจะเรียนได้ตอนบรุรพกรรมของพระจุลปันตกถามว่าเพราะเหตุไรเธอจึงไม่สามารถเรียนได้ แก่ว่าได้ยินว่าเธอบวชในการของพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้มีปัญญาแต่ได้ทำการหัวเราะย่ะในเวลาที่ภิกษุเขารูปหนึ่งเรียนอุเทศภิกษุนั้นละอายเพราะการหัวเราะนั้นเลยเลิกเรียนอุเทศไม่ทำการสาธยใหญ่เพราะกรรมนั้นจุลาปณตกนี้ บวดแล้วจึงเป็นคนโง่บทที่เรียนแล้วเรียนแล้วเมื่อเธอเรียนบทต่อต่อไปบทที่เรียนแล้วนั้นก็เลือนหายไปเมื่อเธอพยายามเพื่อเรียนคาทานิแลสีเดือนได้ล่วงไปแล้วที่นั้นพระมหาปัญโกจึงได้กล่าวกับเธอว่าชุลปันโกเธอเป็นคนอาภัพ ในศาสนานี้โดยสี่เดือนแม้คถาเดียวก็ไม่อาจจะเรียนได้เธอจะยังกิดแห่งบรรปชิตให้ถึงที่สุดได้อย่างไรจงออกไปจากที่นี้เสียเถิดดังนี้แล้วมหาปัญโทกก็ได้กับจุฬปัญโทกออกจากวิหารพระจุฬปัญโทกไม่ปรารถนาความเป็นเครือหัดเพราะความเยื่อใยในพระพุทธศาสนา ก็ในการนั้นแหละมหาปัญโกเป็นพัตุเทศคือผู้จัดแจงพัดมอชีวกโกมาราพัตถือระเบียบดอกไม้ของหอมและเครื่องรูปไล้เป็นนันมากไปสู่อัมพวันบูชาพระศาสดาสดับฟังธรรมลุกจากอาสนะถวายบังคมพระทศบุแล้วเข้าไปหาพระมหาปัญโก ถามว่าท่านผู้เจริญภิกษุในสำนักของพระศาสดามีจํานวนเท่าไหร่ขอรับพระหมหาปันตกภิกษุมีประมาณ500รูปหมอจีวกท่านผู้เจริญพรุ่งนี้ขอพระกุณเจ้าได้พาภิกษุห้0รรูปมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขรับภิกษาในเรือนกองกระผมพระหมหาปันตกอุบาสก ภิกษุโง่รูปหนึ่งชื่อจุลปันโกมีธรรมไม่งอกงามอธรรมภาพจะเว้นเตอเสียแล้วรับนิมนเพื่อภิกษุทั้งหลายที่เหลือจุลปันโกฟังคำนั้นแล้วจึงมีความคิดว่าพระเถระเมื่อรับนิมนเพื่อภิกษุทั้งหลายมีประมาณเท่านั้นแต่คัดเราไว้ภายนอกแล้วจึงรับ จิตของพี่ชายเราจากแตกแยกคือหมดเยื่อใยในเราแล้วอย่างไม่ต้องสงสัยัตร น, นี้เราจะต้องการอะไรด้วยศาสนานี้เราจะเป็นเครือหัดทำบุญต่างๆมีทานเป็นต้นเลี้ยงชีพในวันรุ่งขึ้นเธอจึงไปแต่เช้าตรู่เพื่อที่จะขอลาศิกขาคือขอลาศึกพระศาสดาทรงตรวจ ด, ดูโลก คือหมูสัตว์ในเวลาใกล้รุ่งนั่นเองทรงเห็นเหตุนี้แล้วจึงเสด็จล่วงหน้าไปก่อนได้ทรงหยุดจงกรมอยู่ที่ซุ้มประตูใกล้ท า, างที่พระจุลาบันตกไปพระจุราบัรตกเมื่อเดินไปพบพระาศาสดาจึงเข้าไปเฝ้าถวายบังคมขณะนั้นพระาศาสดาตรัสกับเธอว่า จุฬาบรรทกเธอจะไปไหนเวลานี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระพี่ชายกับไล่ข้ารรพระองค์พระเจ้าข้าด้วยเหตุนี้ข้าพระองค์จะไปเพื่อลาศึกจุฬาบรรทกเธอชื่อว่าบรระชาในสำนักของเราแม้ถูกพี่ชายกับไล่ทาไมจึงไม่มาสู่สำนักของเราเล่ามาเถิดเธอจะต้องการอะไร ด้วยความเป็นเครือัดเธอจงอยู่ในสำนักของเราดานี้แล้วส่งเอาฝ่าประหัตอันมีพื้นวิจิตไปด้วยจักคือเอาฝ่ามือของพระองค์ที่มีรายจักเป็นเครื่องหมายลูปศีรษะของจุลาบรันตกแล้วพาไปนั่งที่หน้ามุกพร ะ, ะกันตกุดีประทานต่อนผ้าที่สะอาดซึ่งทรงบันดาลขึ้นด้วยฤทธ แล้วตรัสสั่งว่าจุลาบรรทกเ่อจงผินหน้าไปตามทิตะวันออกลูบท่อนผ้านี้ด้วยคำบริกรรมว่าระโชหรนังระโชหารนังแปลว่าผ้าเชตุลีผ้าเชตุลีอยู่อย่างนี้แหละดังนี้ครั้นเมื่อบุคคลกราบทูลเวลาแล้วมีภิกษุส่งแวดล้อม จึงเสด็จไปเรือนของหมอชีวกพระทับนั่งบนอาสนะที่เขาตกแต่งไว้ฝ่ายจุลาปนรกนั่งแลดูพระอาทิตย์พลางรูปผ้าท่อนนั้นบริกรรมว่ารัชโชหระนังรัชโชหาระนังเมื่อท่านรูปผ้าท่อนนั้นอยู่ท่อนผ้าได้เศร้าหมองแล้วลำดัแบบนั้นจุลาปนรก จึงคิดว่าท่อนผ้านี้สะอาดแ ท, แท้แต่อาศัยอัตภาพนี้จึงละปกติเดิมเสียกลายเป็นกล่องเศร้าหมองอย่างนี้ไปได้สังขารไม่เที่ยงหนอะลรนแล้วเขาจึงเริ่มตั้งความสิ้นและความเสื่อมเจริญวิปัสสนาพระศาสดาทรงทราบว่าจิตของพระจุลปันโก ขึ้นสู่วิปัสสนาแล้วจึงตรัสว่าจุลาบรรทกเธออย่าทำความหมายเฉพาะท่อนผ้านั้นว่าเศร้ามองแล้วติดทุลีแล้วก็ทุลีทั้งหลายมีทุลีคือราคาเป็นต้นมีอยู่ในภายในของเธอเธอจงนำคือกำจัดมันออกเสียนด น, นี้แล้วทรงเปล่งพระรัศมี เป็นผู้มีพระรูปปรากฏดุจประทับนั่งจบน้าได้ทรงภาสิทธิพระคถานี้ว่าราคะชื่อว่าทุลีแต่ละองท่านหาเรียกว่าทุลีไม่คำว่าทุลีนั้นเป็นชื่อของราคะภิกษุเหล่านั้นละทุลีนั้นได้กาดแล้วอยู่ในศาสนาของพระพุทธเจ้า ผู้ปราศจากทุลีโทสะชื่อว่าทุลีแต่ละองหาเรียกว่าทุลีไม่คำว่าทุลีนั้นเป็นชื่อของโทสะภิกษุเหล่านั้นละทุลีนั้นได้ขาดแล้วอยู่ในพระศาสนาของพระพุทธเจ้าผู้ปราศจากทุลีโมหะชื่อว่าทุลี แต่และองหาเรียกว่าทุลีไม่คำว่าทุลีนั้นเป็นชื่อของโมหะภิกสุ่านั้นและทุลีนั้นได้ขาดแล้วอยู่ในพระาศาสนาของพระพุทธเจ้าผู้ปราศจากทุลีดังนี้ก็ในการจบคาถาพระจุลบนทกบรรลุพระราชพร้อมด้วยปฏิสัมพิทาทั้งหลายแล้ว พิดกทั้งสามมาถึงแก่ท่านพร้อมกับปฏิสัมพิธาทีเดียวได้ยินว่าในการก่อนท่านเป็นพระเจ้าแผ่นดินทรงกระทำประทักษินประนครคือเดินรอบประนครเมื่อพระเศทโทคือเหงื่อไหลออกจากหน้าผากทรงเอาผ้าสะอาดเช็ดที่สุดของหน้าผากผ้าได้เศร้าหมองแล้ว ทาวเธอกลับได้อันนิจจะสัญญาว่าผ้าสาเินปานนี้อาศัยสรีระนี้และปกติแปลเป็นความเศร้าหมองไปได้สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอด้วยเหตุนั้นผาสำหรับเชตุรีนั่นแหลจึงเป็นปัจจัยของท่านแล้วฝายหมอชีวกกุมารพัฒนได้น้อม น้ำทักสีโนโทกเข้าไปถวายพระทศพลพระศาสดาปิดบาทด้วยพระหัตแล้วตรัสว่าชีวะกะภิกษุในวิหารยังมีอยู่ไม่ใช่หรือพระมาบันทกกราบทูลว่าในวิหารภิกษุไม่มีไม่ใช่หรือราาพระชก้าพระศาสดาตรัสว่ามีอยู่ชีวะกะหมอชีวก จึงส่งบุุษไปด้วยกับว่าพนายถ้าการะนั้นเธอจงไปจงดูว่าภิกษุในวิหารมีอยู่หรือไม่มีในขณะนั้นพระจุลาันธกคกิดว่าพี่ชายของเราพูดว่าภิกษุในวิหารไม่มีเราจะประกาศความที่ภิกษุในวิหารมีแก่พี่ชายในนี้เรา จุฬะบันทกจึงเนรมิตรให้อำปวันทั้งสิน้นเต็มไปด้วยภิกษุทั้งนั้นภิกษุบางพวกเย็บจีวรบางพวกย้อมจีวรบางพวกทำการสาธยายเนรมิตรภิกษุพันรูปไม่เหมือนกันและกันอย่างนี้บุรุษนั้นเห็นภิกษุเป็นนันมากในวิหารจึงกลับมาบอกแก่หมอชีบวกว่าคุณหมอกรับ อัมพวันทั้งสิ้นเต็มด้วยภิกษุทั้งหลายพระธรรมสังฆาหากาจาร์ได้กล่าว ร, รมที่เป็นระถาไว้ว่าฝ่ายพระเถระชื่อว่าจุลปันทกเนรมิตตนปันกรังเป็นภิกษุพันรูปในอัมพวันนั่น แ, แลแล้วนั่งในอัมพวันอันน่ารื่นรมจนกว่าเขาจะมาบอกเวลาลำแบบนั้น พระาศาสดาตรัสกับบุรุษนั้นว่าเธอจงไปวิหารจงบอกว่าพระาศาสดารับสั่งหาพระชื่อจุลปันโทกเมื่อบุรุษนั้นไปบอกตามรับสั่งแล้วทั้งพันปากก็ขนานว่าข้าพเจ้าชื่อจุลปันโทกข้าพเจ้าชื่อจุลปันโกบุรุษนั้นกลับไปกราบทูลีกว่า พระโชก้ได้ยินว่าภิกษุแม้ทุกรูปชื่อจุลาปันถตกทั้งนั้นพระศาสดาจึงตรัสว่าถ้ากระนั้นเธอจงไปรูปใดเอ่ยก่อนว่าข้าพเจ้าชื่อจุลาปันถตกจงจับภิกษุรูปนั้นที่มือรูปที่เหลือจะหายไปดังนี้เขาได้ทําตามรับสั่งแล้วภิกษุประมาณพันรูป หายไปแล้วท่านทีท่านใดนั่นเดียวพระเทระได้ไปกับบุรุษผู้นั้นในเวลาเสร็จพัรกิจพระศาสดาตรัสเรียกหมอชีวกมาแล้วรับสั่งบาตชีวกกะเธอจงรับบาตรของจุลปันโกเถิดจุลปันโกนี้จะทำอนุโมทนาแก่เธอหมอชีวก ได้ทำอย่างนั้นแล้วพระเตระบันลือศีหาะดุดสีหะที่ขึ้นรุ่นคืออยู่ในวัยกระนองได้ทำมนุโมทนาอย่างพระไตปิดกให้กระชนแล้วพระศาสดาเสด็จลุกจากอาสนะมีภิกษุสงแวดล้อมเสด็จไปสู่วิหารเมื่อภิกษุทั้งหลายแสดงวัดแล้ว เสด็จลูกจากอาสนะทรงยืนที่นามุกพระกันทากุฎีประทานสุขะโตวาดตรัสบอกกรรมฐานแก่พิสุสงส่งทรงพิสุสงไปแล้วเสด็จเข้าสู่พระกันทากุฎีที่อบด้วยกลิ่นหอมฟุง้งทรงบันทมศีหาสยยาโดยข้างเบื้องขวาคือนอนตะแคงขวา รันในเวลาเย็นพิษสษุทั้งหลายนั่งประชุมกันข้างนี้และข้างโน้นดุดล้อมวงด้วยม่านผ้ากำปันสีแดงปรารบถึงเรื่องพระคุณของพระศาสดาว่าท่านผู้มีาอายุพระมหาปันโตกไม่ทราบอัติยาสัยของจุลาปันโตกจึงไม่สามารถจะให้เรียนคาถาบทเดียวโดยสีเดือนได้ ไล่ออกจากวิหารด้วยเข้าใจว่าพระรูปนี้โง่แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประทานพระอาราธกับทั้งปฏิสัมพิทาในระหว่างอาหารมื้อเดียวเท่านั้นเพราะพระองค์เป็นพระธรรมราชาอันเยี่ยมพระไตรปิฎกก็มาพร้อมกับปฏิสัมพิทานั่นเดียวน่าสะใจชื่อว่ากำลังของพระพุทธเจ้าทั้งหลายมีมาก ดังนี้กระนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบเรื่องราวนี้ในโรงตามแล้วจึงมีความดำริว่าวันนี้เราควรจะไปจึงเสด็จลุกจากพุทธสยาทรงนุ่งผ้าสองชั้นที่ยอมดีแล้วทรงรัฐประคตเอวดุดสายฟ้าทรงห่มจีวรมหาบังสุกุล ได้ขนาดสุคตประมาณปานผ้ากำปนสีแดงเสดออกจากพระขันธกุฎีอันมีกลิ่นหอมฟุ้งไปยังโรงธรรมด้วยความงามแห่งพระอากับกิริยาที่ส่งก้าวย่างไปดุดพระยาโคจฉาลตัวรับมันและดุดสีหะและด้วยพุทธลีลาอันหาที่สุดไม่ได้ เสด็จขึ้นบวรพุทธาฏที่บรรจงจัดไว้ในท่ามกลางแห่งโรงกลมซึ่งประดับแล้วประทับนั่งที่กลางอาสนะทรงเปล่งพระพุทธรัศมีมีพรรณะหกประการเปรียบานเทพพยาดาผู้วิเศษบรรดาลท้องมหาสมุทรให้กระเพื่อมอยู่และประดุษสุริโยไทยท่อแสงอ่อน เหนือยอดเขายุคขันธ์นฉะนั้นและเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าพอเสด็จถึงภิกสุสงก็หยุดสนทนานิ่งเงียบพระศาสดาทรงพิจารณาดูบริษัทด้วยพระหฤทัยอันอ่อนโยนทรงรำพึงว่าบริษัทนี้งามยิ่งนักการขนองมือก็ดีการขนองเท้าก็ดี เสียงไอหรือเสียงจามก็ดีแม้ของพิษุรูปหนึ่งย่อมไม่มีพิษุเหล่านี้แม้ทั้งหมดมีความเคารพด้วยพุธทธกรวะอันเดชแห่งพระพุทธเจ้ากุขามแล้วเมื่อเรานั่งนิ่งเฉยเสียไม่พูดแม้ตลอดชั่วอายุกรูปไหนๆจะหายุกเรื่องขึ้นพูดก่อนไม่มีชื่อว่าธรรมเนียม การยกเรื่องขึ้นเราควรรู้เราเองจกพูดขึ้นก่อนดังนี้แล้วจึงตรัสเรียกภิกษุทัง้งหลายด้วยพระสุรเสียงอันไพเราะดุดเสียงบรมแล้วตรัสตามว่าภิกษุทัง้งหลายบัด น, นี้พวกเธอนั่งประชุมกันด้วยเรื่องอะไรเล่าเรื่องอะไรที่พวกเธอคุยค้างไว้ในระหว่าง เมื่อพวกพิกษุนนั้นกล่าบทูลด้วยคำว่าด้วยเรื่องชื่อนี้พระโชาคลารภผู้มีพระภาคจึงตรัสว่ามิสูตท้งหลายจุลาปันทุกหาได้เป็นผู้โง่แต่ในบัดนี้เท่านั้นก็หาไม่แม้ในการกร่อนก็ได้เป็นผู้โง่แล้วเหมือนกันอห น, นึง่งเราเป็นที่พำนักอาศัย ของเธอเฉพาะการบัดนี้อย่างเดียวก็หาไม่ถึงแม้ในการกรก็ได้เป็นที่บำนักอาศัยแล้วเหมือนกันและในการกรเราได้ทำจุลปันตกนี้ให้เป็นเจ้าของแห่งโลกียาทรแล้วบัดนี้ได้ทำให้เป็นเจ้าของแห่งโลกุตรัพท์และนี่คือเรื่องในเบื้องต้นของต่านพระจุลปันตก จริงๆเนื้อความของเรื่องนี้ก็จบที่ตรงนี้แตจบที่ว่าเออท่านเป็นพระอาารันลาต้องคู่ทั้งพี่ชายและน้องชายเ อ, อ๊ะแต่ทําไมตอนเป็นฆราวาสไม่ได้มีปัญญาทึบพอมาบวชเออตอนแรกมีปัญญาทุบพอมาอาศัยพระพุทธเจ้าเอามีปัญญาบรรลุวิชาปฏิสัมพิทาต่างๆได้ตรงนี้ก็เลยจะมาเล่าเรื่องว่าที่ทึบเนี่ยที่มีปัญญาไม่ฉลาดเพระอาาระไรแต่ตรงนี้ก็มีบุปกรรมที่ท่านดับมา ซึ่งตนี้ก็จะนํามาเล่าให้ท่านบูฟังฟังต่อไปในวันพรุ่งนี้ท่านพระจุลัดันโตกเนี่ยในชาติ ก, ก่อนที่แบบไม่มีปัญญาเลยหัวโง่ก็มีและที่ฉลาดฉลาดเอาตัวรอดรู้จักทํามาหากินได้ก็มีแต่ขึ้นๆลงๆอย่างนี้คนที่อยู่ในสังสา ร, รัตเป็นอย่างนี้เรามาติดตามเรื่องของท่านพระจุลัดัญโตกันในวันพรุ่งนี้ต่อไปแต่วันนี้เวลาหมดแล้วท่านบูฟังข้าพเจ้าพระมหาภัยบุญอาภิปุณโญก็ขอลาไปก่อน พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญบอล